เป็นการปฏิบัติในลักษณะการรับประทานอาหารหรือการรับประทานยาซึ่งผลสืบเนื่องจากการรับประทานอาหารและรับประทานยานั้นอาการของหิวความหิวก็สงบลงความอิ่มก็เพิ่มขึ้นและแรงกระพังกายความคล่องแคล่วในการปฏิบัติภารกิจการงานก็จะติดตามมา แม้การรับประทานอาหารยาก็รับประทานยาก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเราจะไม่พูดถึงผลต่อเนื่องเพราะผลต่อเนื่องนั้นเป็นเรื่องที่แต่ละคนได้สัมผัสด้วยตัวเองแต่ถ้าเราสังเกตแล้วจะพบว่าเมื่อรรับประทานยาเข้าไปสมุทรฐานโรคสงบลงอาการโรคสงบลงความสบายเพิ่มขึ้นพอถึงจุดหนึ่งสมุทฐานโรคหมดอาการเขาโรคก็หมด ความสบายก็เกิดขึ้นเต็มที่ต่อแต่นั้นความพร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติภารกิจการงานต่างๆเพื่อความเข้าหน้าความเจริญก็จะบังเกิดขึ้นโดยลำดับแนวเหล่านี้จึงเน้นย้ำไปที่การพยายามลดละกิเลสซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจของบุคคล ใายลดน้อยถอยลงไปโดยลำดับจะมีลักษณะโดยสรุปที่เรียกว่าปหาหะนาคือละความชั่วและภาวนาคือการเสริมสร้างความดีขึ้นก็ปฏิบัติในชั้นศีลเป็นข้อปฏิบัติเพื่อละให้เกิดการสำรวมระวังไม่มีการละเมิดบทบัญญัติของศีลเหล่านั้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าบทบัญญัติของศีลทั้งหลายนั้นเป็นการสกัดกัน้นเป็นการห้ามกันการประพฤติการกระทํารรที่จะนําความเดือดร้อนมาสู่ตนเองและมาสู่บุคคลอื่นถ้าเราสาวลึกลงไปถึงเจตนาที่เป็นเหตุให้กระทําก็จะพบว่าการกระทําในลักษณะนั้นเกิดขึ้นมาจากกิเลสประเภทต่างๆ ที่ท่านสรุปรวมเป็นความโลภความโกรธความหลงการเวเดเวียนเข็นฆ่าปัทุสลายการทุกระดับจนถึงเป็นหมายุธสงครามล่างพรานกันเป็นกระแสเลื่อนไหลของความโลภความโกรธความหลงที่สืบเนื่องกัดไปสราบใดที่กิเลสเหล่านั้นยังไม่สงบลง การยุติการบิดเบียนการมาทุสร้ายกันก็จะไม่เกิดขึ้นภาพของโลกภาพของชีวิตเป็นไปในลักษณะนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแม้เราจะศืบสาไปถึงยุคต้นๆที่โลกเริ่มมีมนุษย์เพียงไม่เท่าไรปรัญหาที่เกิดขึ้นในโลกสมัยนั้นก็เกิดขึ้นมาจากการที่ เรมมีการกระทบกระทั่งกันในเรื่องของผลประโยชน์คือขัดแย้งกันในด้านผลประโยชน์แล้วเมื่อไม่ยอมกันก็มีการต่อสู้กันมีการประหารการกันจนถึงกับมีการลบตายไปจากนั้นก็จะมีการร่วงละเมิดเรื่องสิทธิทางคู่ครองของกันและการป้งร่วงละเมิดในทางทรัพย์สินบ้าง เมื่อมีการจับคุมเพื่อจะมาลงโทษคนก็ปฏิเสธก็โกหกอาการเ่านี้ก็หมุนวนกันอยู่ซึ่งจะพบว่าทุกอย่างนั้นเป็นอาการของโรคปลดลงทีงแต่ว่าจะรุนแรงน้อยหรือรุนแรงมากแต่นั้นเดงโลกได้พยายามปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของมนุษย์กันมาโดยลำดับ แต่นั้นถ้มองถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพัฒนาการด้านศาสนาและด้านการปกครองก็คือความพยายามที่จะควบคุมพฤติกรรมของคนไม่แสดงความโลภความโกรธความหลงรุนแรงเกินไปจนออกมาในรูปของอาชญา ก, กรรมที่เป็นการประทุษร้ายต่อตนเองและบุคคลอื่นให้เดือดร้อน ก็บัญญัติในระดับนี้จึงมีทั้งระดับของกฎหมายระดับอัจฉรทางกฎหมายที่รุนแรงเราจะพบว่าบางาศาสนาก็ใช้วิธีที่รุนแรงในลักษณะที่พูดปาตาต่อตาคันหลอกวันแต่ความรุนแรงนั้นก็แก้ไขให้ลดความรุนแรงลงไปไม่ได้แต่เป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่โลกก็ใช้กัน บทบัญญัติระดับหนึ่งก็เป็นเรื่องควบคุมในความผิดทางกฎหมายบทบัญญัติอีกระดับหนึ่งก็พูดถึงเรื่องศีลซึ่งจะเห็นว่ากฎหมายนั้นจะมีคนคุมอยู่ข้างนอกหากว่ายังแสดงความโลภความโกรธความหลงที่แรงออกไปเป็นการลวนละเมิดสิทธิทางร่างกายทรัพย์สินคู่ครองของกันและกันโกหกหลกลวงกลมกลนใส่ร้ายกัน ก็จะมีกฎหมายเข้าไปบังคับใช้มีมาตรการในการลงโทษเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมความยุติธรรมขึ้นแต่ถ้าหากว่าคนขาดความสำนึกขาดความระมัดระวังอาการที่เราเรียกว่าลักษณะตัวตายตัวแทนมันก็เกิดขึ้นคนที่เคยรู้อำนาจกี่ยวามโรกดหลงรุนแรงจนเป็นอาชญากรรม ถูกจับกุมคุมขังถูกฆ่าถูกประหารชีวิตไปมากต่อมาแล้วก็มีตัวตายตัวแทนคือไหลกันมาได้เรื่อยๆเพราะไม่ใช่เป็นวิธีการแก้ปัญหาที่แท้จริงเพียงแต่เป็นมาตรการหนึ่งที่สงบระงับเรื่องด่านั้นไว้ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเองบทบัญญัติในระดับศีลเป็นเรื่องสร้างจิตสำนึก ให้คนมีความคิดเป็นนิพจน์เป็นระบบโดยเริ่มต้นจากใจเขาใจเราคือเอาใจเขามาใส่ใจเรามองความรู้สึกของเราเมื่อมีการล่วงเกินชีวิตของเราทรัพย์สินของเราผู้ครองของเราหรือใครมาโกาหกหลอกลวงเราหรือกล่าวร้ายเราหรือพูดคำหยาบกับเราหรือโยงให้เราเกิดความแตกแยกกับใครก็ตามเราจะเกิดความไม่พอใจ เมื่อเราจะทํำกับคนอื่นก็ต้องคิดในลักษณะเดียวกันก็จะได้คําตอบในทํางนองเดียวกันว่าแม้คนอื่นเขาก็ไม่พอใจในจุดนี้ทรงใช้คําว่าทําตนเองเป็นอุปมาคืออตานังอุปมังกัตวาคือทําตนเองเป็นอุปมาเทียบเคียงซึ่งกติไทยเราใช้คา ใ, ใจเขาใจครับนั้นเป็นความคิดเบื้องต้นที่จะยุติการเบียดเบียนประทุษรายกัน แต่ในขณะเดียวกันบุคคลเราจะทำเหตุอะไรก็ตามถ้าว่าผลมันเล็กน้อยเนี่ยคนจะไม่ทำผลที่เกิดขึ้นพระเจ้า ก, ก็แสดงไว้หลายระดับที่เรียกว่าเป็นผลเป็นอานิสงส์เช่นบุคคลที่ปฏิบัติสมบรังอยู่ในชั้นของสี่จะเป็นคนอยู่ในสังคมโดยไม่มีเวรไม่มีภยัยกับใครๆ มีเชื่อเสียงเกียรติคุณความดีเป็นที่ยอมรับยกย่องของบุคคลทั้งหลายเป็นผู้ไม่มีความวิตกสืสารคือไม่เดือดร้อนใจไม่มีความหวาดระแวงวิตกกังวลจะไปในที่ไหนจะทำอะไรใช้เรียบทใดก็ตามจะไม่มีความหวาดระแวงวิตกกังวลกลัวภัอันตรายที่จะเกิดขึ้นมาจากการกระทำของบุคคลอื่นเพราะเราไม่สร้างเหตุเพื่อให้เกิดเวรภัยเหล่านั้น เป็นที่เคารพยกย่องของบุคคลทั้งหลายในด้านสถานะทางเศรษฐกิจแล้วก็แสดงว่าเป็นผู้มั่งคัง่งโดยพวกสมบัติไต่ทรัพย์สมบัติมาแล้วก็จะไม่เสื่อมพิบัติไปด้วยเหตุที่ไม่สมควรซึ่งคนนี้จะเห็นได้ว่าคนที่ไม่มีสีทนั้นอาจจะได้ทรัพย์สมบัติมาในทางที่ไม่ชอบธรรมและได้มาจำนวนมากๆ แต่รเราพบข่าวคราวการถูกยึดทรัพย์การถูกฟ้องล้มละลายโดยการประสบปาจยาของแผ่นดินต้องติดคุกติดตารางทรัพย์สมบัติเหล่านั้นก็ช่วยเหลืออะไรตัวเองไม่ได้เป็นต้นและยังได้แสดงอานิสงส์ของชีวิตหลังจะตายไปแล้วว่าจะไม่หลงทมกาล ก, กิริยาตายในตายไปแล้วจะเบิบังเกิดในสุคติ เราจะแสดงเรื่องเหล่านั้นไว้โดยพิสดารจนกลายเป็นพวกบา ร, รมีที่เราเรียกว่าสีละบา ร, รมีเก็บสะสมขัดเกลาจิตสันดานของบุคคลให้มีความสงบประนีขึ้นไปโดยดําดับก็ทำให้จิตใจใกล้ต่อสภาพเทเรีอนิพานขึ้นไปอา น, นิสงเหล่านี้เมื่อบุคคลได้พิจารณาเห็นและปฏิบัติแล้วจึงจะสัมผัสอย่าลืมาพวกอา น, นิสงทั้งหลายนี มันเป็นผลที่เกิดขึ้นหลังจากการประพฤติปฏิบัติคล้ายๆกับผลไม้เกิดขึ้นหลังจากกรูปต้นไม้ดั น, นผ่านการเวลามาถึงช่วงที่ออกผลผลจึงจะเกิดขึ้นถ้ายังไม่ถึงช่วงที่ออกผลผลก็เกิดขึ้นไม่ได้ดังนั้นผลจึงมีความสัมพันธ์กับเหตุเหตุยังไม่สมบูรณ์ถึงจุดที่จะให้ผลผลก็จะไม่เกิดขึ้น แต่ภารกิจของคนจริงๆก็คือการสร้างเหตุอย่างที่พรเจ้าทรงสแสดงว่าการไถนาการหวานข้าวการปักดำการขายน้ำข้าวในนาการชักน้ำออกจากนาเป็นภาระเป็นหน้าที่ของชาวนาแต่การจะตั้งท้องเมื่อไหร่ การจะสุกเมือ่อออกโรงเมื่อไหร่และสุกเมือ่อไหร่นั้นเป็นหน้าที่ของข้ า, าวเจ้านาไม่สามารถจะไปสั่งการให้ข้าวเป็นไปตามที่ตนต้องการได้ภารกิจของเจ้านาก็คือทำหน้าที่ของตนในช่วงต้นๆดังกล่าวผลที่เกิดขึ้นจากธรรมปฏิบัติก็จะมีลักษณะอย่างนั้นแม้เราจะรักษาศีลสมาทานศีลรักษาศีลกันมาโดยลาดับ อย่างน้อยก็สี่หประการที่รักษากันโดยทั่วไปแต่ผลอันิสงของศีนั้นจะสัมพันธ์กับการรักษาศีลของเราถ้าการรักษาศียังมีความบกพร่องเราก็ไม่องอาจไม่กล้าหานจะมีความมิต o c h o งวลอยู่ภายในใจสูญเสียความเชื่อมัน่นมีความหวาดระแวงกลัวจะมีการถูกจับได้ไล่ทัน คล้ายคนที่ผิดกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่งอ ย, อยู่ภายในใจมันจะเป็นตราบาปที่ตรึงอยู่ภายในใจแปลว่เห็นอะไรหรือได้ยินในควาเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับารผิดของตนก็จะมีความสะดุ้งจะมีความบาดกลั่นอานิสงส์เหล่านี้จึงยังไม่เกิดขึ้นที่ไม่เกิดขึ้นไม่ใช่ศีลไม่ดีแต่เรารักษาศีลยังไม่ดีพอที่จะเกิดอานิสงส์ เรามองกลับไปที่ต้นไม้ก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าต้นไม้ชนิดเดียวกันนั้นเองบางต้นก็ออกผลเร็วบางต้นก็ออกผลช้าบางต้นก็ไม่ออกผลไปเลยนั้นแสดงเงื่อนไขปัใจจัยในการธนุบมรุงต้นไม้แตกต่างกันตลอดถึงพื้นดินที่ใช้ปลูกต้นไม้เหล่านั้นไม่เหมือนกันความแตกต่างของผลจึงเริ่มมาจากความแตกต่างของเหตุอันนิสง์คือการ ได้รการยอมรับนับถือยกย่องจากบุคคลทั้งหลายก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเป็นเรื่องการพยายามปฏิบัติตนจนมีได้ยอมรับนับถือของบุคคลนั้นซึ่งเป็นเรื่องความรู้สึกของเขาแต่ก็จะต้องเห็นความดีของเราก็จึงให้การยอมรับนับถือแต่ยังไม่ถึงจุดนั้นผลตอนนี้ก็ไม่เกิด หรือแม้แต่ความองอาจราหารในสถานที่ต่างๆก็ดีการสมบูรณ์ในพวกคสมบัติแนการไม่ลงตายเป็นตน้นก็จะมีลักษณะอย่างนั้นเพราะในวนนี้ผราสังเกตว่าทรงแสดงในส่วนเหตุเยี่ยบคลสร้างเหตุขึ้นผล น, นั้นเป็นเรื่องเล่าเป็นเรื่องบอกทานองใล้ๆกับแผนที่บอกสถานที่ดั้งสิ่งใดสิ่งหนึ่งไว้ในจุดใดจุดหนึ่ง แต่จริงๆแล้วคนได้รับการบอกเล่ายังไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านั้นทำไมเพราะเขายังไม่ได้เดินไปเขาจะเห็นเดียวเห็นช้าก็อยู่ที่ภานะซึ่งจะนำเขาไปสู่สถานที่นั้นและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือไปถูกหรือว่าไปผิดถ้าไปไม่ถูกแม้จะเดินทางไกลยังไงก็ตามมันก็ไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านั้นนั่นคือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมะ จะอยู่ในทำนองเดียวกับการดำเนินชีวิตของบุคคลในในแต่ละวันข้อปฏิบัติระดับของศีนนั้นจะมีความประณีตคือลดความรุนแรงของโลภะโทสะโมหะลงไปโดยดําดับยางที่ทรงแสดงไป้รูปของบันไดพระลักษณะของศีลจะบรรยัติไว้เป็นข้อข้อได้กว่าสิกขาบท คำวา่าสี่ขั้ก็คือแต่ละก้าวแต่ละขั้นของการศึกษาถ้าขึ้นสูงก็เห็นไกลเกินไปโดยลําดับซึ่งหมายความว่าการจะเห็นไกลได้ก็ต้องอาศัยขึ้นปฏิละกขั้นในปัจจุบันเราขึ้นในรถเร็วในลักษณะขึ้นขึ้นโดยรีบเป็นต้นเนี่ยจะเห็นว่าธรรมะปฏิบัติก็จะมีลักษณะอย่างนั้นคนบางคนก็ไปได้เร็ว เพราะมีสิ่งที่อยู่เบื้องหลังคือบารมีที่ก่อให้เกิดเป็นวาสนารัศมีไม่เท่าไหร่ก็พัฒนาจิตใจไปได้ปักๆซึ่งในชั้นของเสีลก็แสดงให้เห็นถึงความสงบของกิเลสเช่นศสียข้ออธินาฐานในชั้นแรกก็งดเว้นการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ดูตัวของตัวเอง แต่การงดเว้นอย่างนั้นก็อาจจะใช้คนอื่นให้ทำให้ก็ได้ก็ต้องงดเว้นการใช้บุคคลอื่นให้ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยแต่บางทีนั้นจิตใจยังมีความชื่นชมยินดีต่อสิ่งที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบทำแสดงว่าใจยังไม่สะอาดใจยังมีความโลภมีความเพลิดเพลินยินดีต่อสิ่งที่ได้มาโดยความชั่ว ซิ่งก็งุึกๆก็คือยินดีในความชั่วดังนั้นจิตก็ต้องเดินมาถึงจุดที่งดเวน้นการยินดีแม้สิ่งที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบทำขาให้ก็ไม่รับไม่บริโภคไม่ใช้สอยสิ่งดอกนั้นมีความละอายมีความรังเกยียดเป็นความขะย ะ, ะแยงก็สิ่งดอกนั้นจนถึงมีใจที่เรียกว่า ส ม, มาชีพคือเลี้ยงชีพในทางที่ชอบใจมันก็เดินเข้าไปสู่องค์มรตซึ่งองค์มรตเองก็อยู่ในกลุ่มของศีลเพราะว่าการทําการงานชอบการเจรจ า, าชอบการเลี้ยงชีพชอบนั้นเป็นระดับของศีลแต่ผลที่เกิดขึ้นภายในใจแล้วดูว่าความโลภความโกรธความหลงจะลดลงไปได้เท่าไหร่มันก็อยู่ที่ ซึ่งประพฤติปฏิบัติจะเห็นได้ด้วยใจตัวเองใจมันหยุดอยู่ข้างในคือไม่เอื้อมไปข้างนอกการละเมิดศีลด้วยการทําเองหรือโดยการใช้บุคคลอื่นทํานั้นใจมันวิ่งออกไปข้างนอกซึ่งหมายความยังไงหมายความมาขาดการขู่ควบควบคุมแต่เป็นการขับรถก็ฉละออกไปนอกทาง ต้องเกิดอุบัติเหตุแน่นอนแต่จะรุนแรงหรือไม่รุนแรงก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งในระดับที่สาเป็นการคุมจิตใจเอาไว้ไม่ถึงตะเลิดไกลเกินไปแต่ว่าใจก็ขุดหมัวทศร้าหงอกพอใจลักษณะนั้นเป็นใจที่พลันใจที่ดิน้นใจที่กระวนกระวายลักษณะเหล่านี้จะเป็นอะไรก็ตามที่พลันที่ดิน้นที่กระวนกระวาย เป็นสิ่งที่ไม่สงบเป็นสิ่งที่ไม่อยู่นิ่งวัญใจพร่านใจดิ้นใจกระวนกระวายคือใจที่ไม่สงบไม่สงบเพราะอะไรเพราะความโลภอยากได้ในสิ่งซึ่งเกิดขึ้นในทางที่ไม่ชอบทำอันเป็นการแสดงเห็นได้ว่าการได้มาซึ่งสิ่งทั้งหลายในทางที่ชอบทำนั้นเป็นสัมมาชีพ พระเจา้าพระพุทธเจา้าทั้งหลายทั้งก็ได้แต่ก็มีปัจจัยสีแต่ว่าเป็นความยินดีตามมีตามได้ได้มากก็ยินดีตามที่ท่านควรจะบริโภคใช้สอยถ้ามากเกินไปั้งก็แจกจ่ายแจกแบ่งให้แก่บุคคลอื่นเป็นการสงเพราะบคุคคลดิมซึ่งเห็นว่า วัตถุสิ่งของเหล่านั้นไม่สามารถจ ะ, จะครอบงำจิตใจท่านไดแต่วัตถุสิ่งของก็คงเป็นวัตถุสิ่งของเพียงแต่ว่าใครจะใช้ให้เกิดประโยชน์ได้มากหรือน้อยทันใดนักกรรมนินบัติในแนวนี้เมื่อโลภมันลดความโกรธเองก็ลดอันเป็นการแสดงว่าการในความโลภลดก็หมายความความหลงมันก็ลดลงไป การปฏิบัติระดับสมาธิเป็นการคุมใจให้อยู่ภายในใจไม่ได้ออกไปข้างนอกแต่ว่าตอนต้นๆใจมันก็คือใจเป็นธรรมชาติที่ดิ้นรนกวัดแหวงห้ามยากรักษายากแต่มักจะตกไปครุกคราดอยู่กับอารมณ์ที่น่าใคร่น่าปรานาน่าพอใจ จ, จะอยู่กับอารมณ์เหล่านี้ได้นานๆคนนี้ทุกคนมีประสบการณ์ตรงด้วยตัวเองเราเกี่ยวข้องเราพูดคุยเราดูสิ่งที่เราชอบรู้สึกว่าวันเวลามันผ่านไปเร็ ว, วเหลือเกินแสดงว่าจิตใจนั้นชอบพอใจยินดีในเรื่องหล่านี้ บางทีท่านอุปมาเหมือนจระเข้คือยินดีในน้ําเย็นๆจระเข้จึงอยู่ในวังวนต่างๆคือสงบอยู่กับความเย็นแต่ในความเย็นนั่นเองเจระเข้ก็มีความรู้สึกรุนแรงคืออยากได้รุนแรงท่านยังบอกว่าจระเข้นั้นเป็นสัตว์ที่ตะกะตะกรามแล้วก็ตายเพราะกิน คนต้องการจะจับจระเข้เพียงแต่เอาผลฟักต้มไอสุกร้อนๆแล้วก็โยนลงไปจระเข้ก็คุกเข้าไปใปนปากมันฟักแตกโรคท้าโรคท้องก็ลอยขึ้นมาได้เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงจิตที่มีความโลภมันจะ่อยควา้าจนบางครั้งก็เป็นตกะตกะตะกราการการบัญญะบัญยังแต่เมื่อเราคุมไว้ ตอนต้นๆก็ทั้งดินพระเจ้าจึงทรงแสดงถึงหลั ก, กว่าบุคคลใดสามารถควบคุมจิตจึงเที่ยวไปในที่ไกลเที่ยวไปดวงเดียวมีถ้ำคือสกลกายนี้เป็นที่อยู่อาศัยไว้ได้บุคคลนั้นจะพ้นจากปวงแห่งมานเพราะการคุมจิตให้อยู่กับอารมณ์ จึงเป็นเรื่องที่ทำได้ยากเพราะมันฝืนกระแสฝืนธรรมชาติแต่เพีงสังเกตว่าอะไรก็ตามที่ฝืนธรรมชาติได้สิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์มากเราอาจจะมองที่กระแสน้าซึ่งไหลลงมาจากที่สูงเราปล่อยลงไปเรื่อยๆก็แยกย้ายาากระจายไปตามบึงหนองคลองลำธารเล็กลำธาร น, น้อยต่างๆ ในสุดก็จะออกทะเลหมดก็กลายเป็นน้ำเค็มหมดแต่ถ้าเราใช้ระบบเกลือระบบชนประธานกักเก็บน้ำเอาไว้ระบอ่างน้ำเป็นตน้น น, นั้นจะเป็นประโยชน์ใช้ได้ในด้านสาธารณูปโภคทั้งอุปโภคและบริโภคเพราะเราจะเห็นว่าประเทศบางประเทศปริมาณน้ำไม่มากแต่ว่ากักเก็บน้ำไว้ไม่ตกทะเล เขาไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องน้ำอย่างประเทศศรีลังกาเป็นประเทศเล็กๆต้นน้ำลนธานมีไม่มากแต่น้ำที่ตกลงมาจากแต่ละจุดนั้นจะมีการกักเก็บเอาไว้ทุกส่วนของประเทศเขาไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำเพราะอะไรเพราะเขาทำน้ำซึ่งไหลอยู่ตามธรรมชาตินั้นโดยการฝืนกระแสะธรรมชาติ แทนที่จะปล่อยให้ไหลก็ควบคุมทิศทางของการไหลโดยไปกักไปเก็บเอาไว้ในอ่างในปึงในเขื่อนอะไรต่างๆเพราะการฝืนธรรมชาติจึงเป็นวิถีแบบพุธเราจะพบว่าสังขารร่างกายที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั้นที่จริงเราไม่อาจจะฝืนได้ แต่ก็มีคำสอนระดับที่ให้เป็นการบริหารร่างกายเพือจักระบัตรระวังรักษาสุขภาพพราณาโมใหม่ระวังขันทาดไม่ให้ยิ่งไมยย้จอนและวิธีการต่างๆที่สงวางไว้นั้นช่วยในการบริหารร่างกายเราจึงพบว่าเราผู้มีพระภาคเจ้าของเรานั้นแม้จะผ่านทุกทรมานมาในช่วงมาเป็นทุกรกริยาหกปี แต่สีสิปีที่ทำงานหนักมากๆเลแล้วพักผ่อนก็น้อยแต่สุขภาพประาละไมของพระองค์แข็งแรงประเนตรแจม่มใสเมื่อทรงพระเยาว์ประเนตรเป็นอย่างไรตอนทรงพระชจาก็าประเนตรเป็นอย่างนั้นมีความแจม่มใสเราจะบังคับเด็ดขาดเนีไม่ได้เพราะมันเป็นกระแสของธรรมชาติแต่ในขณะเดียวกันเนี่ย ก, กุศลกับอกุศลซึ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ภายในใจเราขึ้นขึ้ น, นลงลงท่านสาวชนทั้งหลายจะเห็นว่าสามัญชนทุกคนไม่มีใครจิตใจตั้งมั่นอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะแม้จะเป็นคนเลวมันก็ไม่ได้ตั้งมั่นอยู่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเพียงแต่อาจจะมากไปหรือน้อยไปจนบางครั้งเรามีศรัทธา บางครั้งศรัทธาก็ถดถอยลงไปบางครั้งเราก็มีความเพียรมากบางครั้งก็เกลียดคราดมากบางครั้งมีสติมั่นคงลึกได้ตลอดบางครั้งก็เผลอเรอพลั้งพลาดนั้นแสดงเห็นว่าจิตใจยังไม่ตั้งมัน่นในตรงนี้พระเจ้าไม่ได้สอนให้เป็นไปาตามธรรมชาติแต่พยายามทวนกระแสของอารมณ์ เพราะลมที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องนั้นจะมีลักษณะยั่วยุยั่วยวนที่พระเจ้าทรงสอนให้ระวังใจแม่กำหนัดแม่กัดขืนใจสนุนบาลีว่าพิชาและโทมนัดเพราะอะไรเพราะลมข้างนอกนั้นจะมีสองลักษณะนี้รุนแรงการยั่วยวนเป็นการยั่วให้เกิดความอยาก สัตโลกจึงอยู่อย่างอยากหรืออยู่ด้วยความอยากและถูกความอยากเสือกใสปรักไสไปสู่กระแสของอารมณ์ต่างๆาในสภาพสังคมปัจจุบันเราจะพบว่ามีอารมณ์ที่ยั่วยวนอ ย, อยู่ทุกคนทุกแห่งแล้วก็รุนแรงใช้สื่อสารพัดสื่อบางครั้งใช้ตัวสื่อนั่นเองก็บีบบังคับคนที่รับสื่อเ่านั้น จะใช้โฆษณาจากเด็กเพื่อเด็กไปบีบคอพ่อแม่อีกทีหนึ่งให้ซื้อสิ่งซื้อหาสิ่งเดียวนั้นเข้ า, ขามาแต่นั้นถ้าหากว่าจิตใจของบุคคลวิ่งไปรับทุกเรื่องทุกสือ่อความสงบก็เกิดขึ้นไม่ได้มีแต่ความยินดียินร้ายอยู่เรื่อยไปใจมันจะแล่นไปเหมือนกับไปซื้อของตามห้างสรรพสินค้า มองนั้นก็ชอบมองนี้ก็ชอบแล้วก็เลือกเดินไปเรื่อยๆลงใจลงไปไม่ได้เพราะความจํากัดของเงินทองในกระเป๋าวันที่มีเงินทองมามากก็ซื้อมาซื้อมาแล้วไม่รู้จะทําอะไรนั่นแสดงว่าซื้อเพราะโลภเพราะหละโลภอยากได้ในกระบวนการการรับนั้นที่จริงมันมีกระบวนการใช้สอยให้เกิดประโยชน์ แต่เพราะทำด้วยความโลภความหลงสิ่งบางอย่างที่ซื้อหามามันก็ไม่ได้ประโยชน์คุ้มค่าอะไรเพียงแต่วรู้สึกพอใจปลื้มใจจากการได้ข้งตัเองเรู้สึกว่าได้ตนได้ตนมีตนเป็นเท่า น, น, นั้นการควบคุมในแนวสมาธิก็ควบคุมในดับนี่ซึ่งในแง่งการปฏิบัติจริงๆก็ไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องนั่งคูบันลังตั้งกายให้ตรงดารงสติไว้เฉพาะหน้าอะไร ไประเด็คัญอยู่ที่สติระลึกรู้ทันอารมณ์ที่มากระทบในแต่ละขณะจะดูที่จิตของตนว่ามีความรู้สึกอย่างไงต่ออารมณ์เดล่านั้นถ้าเกิดความกําหนัดเกิดความขัดเคืองเกิดความรุ่มรมเกิดความปวดเมาก็บรรเทาอารมณ์เหล่านั้นสงบอารมณ์เหล่านั้นสลัดอารมณ์เหล่านั้นหรือดับอารมณ์เหล่านั้นอย่าทําอะไรไม่ได้ก็ลถอย่าให้รุนแรงเกินไป อย่าถึงก็วิ่งออกข้างนอกจนไปทำผิดศีลคุณมาไว้มันคุณคุนภายในอย่างที่โบราณนั้นใช้คาว่าน้ำคุณไว้ในน้ำใสไว้นอกหมายความว่าจริงๆเราก็ไม่ได้ใสอย่างที่เราพูดการที่เราทาแต่ก็คุมเอาไว้อย่าถึงก็แสดงออกก็เหมือนกันน้าโดยในญาตที่เคยกล่าวไว้ เพราะถ้าคุณมาอยู่ใต้ตะกอนมันก็ยังดื่มได้ยังใช้ใช้สอยประโยชน์ในด้า น, นต่างๆได้ทำยังไงวะให้อย่าให้ตะกอนมันขึ้นมาแต่เน็กๆ น, นั่นคือปอ้านการนิบัติในระดับของศีลของสมาธิเป็นการสัรวมระวังจิตควบคุมจิตไม่จะถึงกระดับกิเลสได้หมดสิ้นเชิงเพียงแต่ว่าจะเป็นเงื่อนไขเป็นปัจจัยที่ให้ความสงบสูงขึ้นมีปัญญาแหลมคมขึ้น จนพร้อมที่จะก้าวเดินไปถึงระดับที่จะละกิเลสหรือดับกิเลสได้อย่างแท้จริงต่อแต่นี้ไปขอให้ตั้งใจตั้ความสงบสืบต่อ